สรุปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นถ้อยคําที่ไม่มีโทษโดยประการทั้งปวงเพราะหูเนี่ยนะเรียกว่าคนฟังก็สบายใจแล้วก็ชวนให้รักผู้ฟังสามารถที่ฟังจบแล้วถึงสารณะเล ย, เ น, ยนะฟังจบปั๊บเนี่ยพุทธังสารานางังคัจฉามิถือเป็นเรื่องธรรมดาสมัยพุทธกาลข้าพเจ้าขอถึงพระสมณโคดมว่าเป็นสารณะเนี่ยนะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เรียว่าขอถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าทุกคนไปฟังธรรมเนี่ยไปถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าซะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลยนะโดยปริมาณจํานวนมากเลยเนี่ยนะพระองค์เสด็จไปที่ใดก็เท่ากับว่าไปให้คนถวายชีวิตเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าเหนือชีวิตของรรสัตว์ระสาททั้งหลายแต่พระองค์ไม่ใช่ว่าเอาชีวิตของมองเห็นชีวิตสัตว์เป็นผักเป็นปลานะไม่ใช่พระองค์มีใจเมตตาแล้วก็กรุณาต่อสัตว์สาททั้งหลายเพราะพระองค์ช่วยเขาได้จริงๆ ช่วยให้เขาได้รับประโยชน์ทั้งปวงเนี่ยนะระหว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติพระ อ, องค์ช่วยเขาได้จริงๆเนี่ยนะซึ่งทุกคนฟังทำจบเขาคิดเหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นยิ่งกว่าญาติของเขาเสียเองเนี่ยนะเป็นยิ่งกว่าญาติถึงขนาดเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตพระราชาไม่ใช่น้อยสละบัลังบวชเลยเนี่ยนะเพราะเห็นว่าการบวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและต่ อ, ต, อต่อไปเนี่ยนะ แล้วก็คนที่เป็นพระราชาออกบวชแล้วไม่เคยศึกเลยในในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเวียนกลับมาเป็นคารวาสเป็นต้นไม่มีเลยถามว่าทำไมเพราะเขาถือว่าได้อภิเศกอย่างที่สองที่ดีกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าอย่างนั้น่ะเพราะอะไรเพราะได้ตรัสรู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนพันเขารักพระพุทธเจ้ามากทุกคนก็รักพระพุทธเจ้ามากเนี่ยนะขนาดว่าขนาดล่วงมาถึงปัจจุบันเราก็ยัง รักชื่นชมพระองค์เลยนะไปไหนก็อิติปิโสภคะวะอรหังสัมมาสัมพุโทโธไปเรื่อยเนี่ยนะนะสวดสรรเสริญผู้ทังสารานางคัจฉ า, ามิว่าเช้า ว, ว่าสายว่าเย็นเลยนะยังบางท่านเนี่ยนะโอ้เช้าก็ผู้ทังสารานางคัจฉ า, ามิสายอีกแล้วกลางวันเราอีกบ่ายอีกเข้าอี ก, อกาบางวันโยมก็เราสวดมนต์หรอบวันนั้นนะกนะ็บางคนก็สวดเยอะอย่างนั้นจริงๆสวดด้วยศรัทธานะไม่ได้ว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรด้วยกุศลจิตที่น้อมน้อมเป็นพุทธบูชาด้วยความเลื่อมใสต่อ พระพุทธเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีถ้อยคําที่เพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นคําของชาวเมืองเคิดว่าพระพุทธเจ้ายกใครมาประจานในคำภีร์นี่มีไหมสร้างความเสียหายแบบคนที่เรียกว่าคนมีโทสะออกมาพูดเนี่ยนะบอกไม่มีเลยเนี่ยนะเพราะนั้นเป็นพระพุทธพจน์เป็นถ้อยคําที่สละสลวยมากคนโดยมากพอใจ คือรียกว่าวินยูชนทั้งหลายเนี่ยชอบพอใจยินดีที่จะรับฟังพุทธพจน์ยินดีที่จะรับฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนั้นเป็นศีลทางวาจาอีกอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าทีนี้ส่วนศีลอันต่อไปอีกของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านั้นละคำเพอเจอร์ไม่มีถ้อยคำที่เพอเจอร์เลยนะ เ, เว้นขาดจากคาเพอเจอร์ คำเพ้อเจอร์ก็คืออะไรค่อยคําที่พูดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์รู้อยู่นะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรพูดทําไมตัวเองก็ยังไม่รู้เลยนะพูดให้เป็นอะไรพูดทําไมเรียกว่าพูดฆ่าเวลาพร้อมทั้งชีวิตตัวเองน่ยนะอ้าพูดสินาทีสิ้นชีวิตไป10นาทีเลนะถ้าพูดชั่วโมงละสิ้นชีวิตไปเท่าไหาร่ละอ้าวเพราะว่าเสียเวลาหนึ่งนาทีก็บวกกับชีวิตไปหนึ่งนาทีคือชีวิตของคนนี้มันมีจํากัดใช่มั้ยมันไม่ Yale, มี ย, ยืดมีขยายวันน้อีกแล้วเนี่ยนะมันก็มีจํากัดมันถ้าเราใช้หมดไป10นนนาาทีเปปล่ประโยช์มัก็สิ้นเวลา สินาทีท่อยคําที่เพอร์เจอร์ก็คือคําพูดที่เรียกว่าฆ่าตัวเองอะไรฆ่าเวลาพร้อมทั้งชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยนะเรียกว่าฆ่าตัวเองแบบชนิดเลือดเย็นมากเลยนะเพราะอะไรเพราะใช้ชีวิตเพลดิดเพลินอยู่กับมิจฉาวาจาพราะองค์เนี่ยละคําพูดประเภทนั้นเนี่ยนะคำพูดที่เป็นมิจฉาวาจาคือทําลายประโยชน์ตนทําลายประโยชน์ผู้อื่นอยู่รู้แม้กระทั่งว่าคนฟังก็ไม่รู้ว่าเขาฟังทําไมก็ไม่รู้บางทีก็อย่างที่บอกว่า นั่งฟังอยู่ตั้งนานเลยเขาพูดให้เป็นอะไรเนี่ยเขาพูดทําไมไม่เข้าใจอธิบายไม่ถูกและคนพูดก็พูดมาตั้งนานก็ไม่รู้ว่าพูดทําไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันประโยชน์โลกนี้หรือก็ไม่ใช่ประโยชน์โลกหน้าหรือก็ไม่ใช่ใกล้มัดผลนิพพานต่อไปใช่ไหมก็ไม่ใช่ น, นะพูดแล้วอะไรนะเป็นมงคล38ข้อใดข้อหนึ่งเลยใช่ไหมมันก็ไม่ใช่อีกเนี่ยนะว่าเสียหายขนาดไหนทุกคําที่เปล่งออกไปแต่ทีนี้เนื่องจากว่าวิจารณญาณเนี่ยดีขนาดไหนว่าสัมมาวาจากับมิจฉาวาจานี่มันอยู่ ใกล้กันเนี่ยนะแต่ว่าวาระเนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนควรพูดกับควรเวน้นนนควรเจริญกับควรละมิชาวาจาทั้งหลายควรละสัมมาวาจาทั้งหลายเป็นควรเจริญเป็นหนึ่งในคุณธรรมที่จะทําให้มันรู้มรรคผลนในผานเพราะมรรคมีองค์ ป, ประกอบไปด้วยสัมมาวาจาเนี่ยนะสัมมาวาจาก็อ่าสัมมาวาจานั้นสําคัญมากเพราะว่าเพราะอะไรเพราะอย่างพระพุทธเจ้าพูดเนี่ยพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัส ผู้ฟังแล้วเป็นยังไงบรรลุมรรคผลนิพพา น, นยอย่างธรรมจากกัปวัตนสูตรพระองค์แสดงเนี่ยที่เป็นคำที่เป็นสัมมาวาจาเนี่ยผู้ฟังจบบรรลุสิบแปดกอ น, นะแล้วก็พระอัญ ญ, ญาโกลทัญญาอีกหนึ่งอนัตตลักษณะสูตรบรรลุเป็นพระอรหันต์อีกห้าองค์เนี่ยนะแล้วก็อย่างอธิตตาปริยสูตรบรรลุเท่าไหร่พันรูปเนี่ยนะ มงคลสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้ชาจากสูตรพระองค์แสดงหนึ่งครั้งเนี่ยบรรลุ60รูปแล้วก็สูตรที่บรรลุหาประมาณไม่ได้เยอะแยะเลยเนี่ยนะเพราะเป็นวาจาที่เป็นไปเพื่อความนทุกข์สิ่งที่มีผลต่อคนอื่นมากที่สุดในโลกนี้คือวาจาเนี่ยนะพูดแบบเรียกว่าพระองค์เนี่ยพูดเอ่อพูดเอ่ออ้าไงคำพูดเนี่ยนะสร้างความเจ็บปวดเรียกว่าผูกเวรกันไม่รู้กี่พบกี่ชาติก็อยู่ที่คําพูด พูดให้คนแหมผูกพันกันอีกหลายพบหลายชาติก็อยู่ที่คําพูดพูดและตกนรกแทบจะตลอดไปก็เพราะคําพูดขึ้นสวรรค์แทบจะตลอดการก็อยู่ที่คําพูดเนี่ยนะจะเสื่อมประโยชน์หรือเสียประโยชน์ก็เพราะคําพูดนะนะสเร็จหรือไม่สําเร็จก็อยู่ที่คําพูดนั้นคำพูดเนี่ยถือว่าแมมยิ่งใหญ่มากๆเลยสําคัญมากๆพระพุทธเจ้าเนี่ยนะปฏิบัติเพื่อได้แต่สรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อมาพูด เพื่อมาแสดงตามท้าพระองค์นั่งนิ่งๆแล้วใครจะบรรลุอะไรได้มั่งไม่ได้อยู่แล้วเพราะสร้างบารมีขนาดไหนเพื่อจะมามาพูดสิ่งที่เรียกว่าสัมมาวาจาเนี่ยนะเพื่อจะมาตรัสสัมมาวาจาที่เป็นถ้อยคําที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้รับประโยชน์เนี่ยนะได้รับประโยชน์ประโยชน์จริงๆเลยแหละประโยชน์ก็คือสิ่งที่เกื้อกูลสิ่งที่นํามาซึ่งความสุขในปัจจุบันและต่อต่อไปเนี่ยนะท่า น, นพระองค์จึงเว้นขาดจากถ้อยคําที่ ไรประโยชน์เนี่ยคนที่จะละเพอร์เจอร์ได้เนี่ยนะจะต้องคำนึงเสมอว่าสิ่งที่ตนพูดเนี่ยมีประโยชน์แค่ไหนมีประโยชน์ต่อตัวเองจริงๆหรือไม่ที่พูดคำนั้นออกไปคิดว่าคำเหล่านี้เนี่ยนะสมมติถ้าแบบบันทึกเสียงเอาไว้เนี่ยนะอีกสองปีแล้วมาเปิดฟังคำที่พูดเนี่ยอยากฟังไหมเคยคิดอยากจะกลับไปฟังคำที่ตัวเองพูดจริงๆไหมแล้วก็ฟังด้วยใจที่เคารพแล้วก็เลื่อมใสยอย่างนั้นจริงไหม อันนันเราสังเกตดูอันนั้นเป็นสัมมาวาจาหรือมิชฉาวาจาถ้าหากว่าแม้แต่ตัวเองก็ยังอยากฟังอยากเก็บถ้อยคําที่ตัวเองพูดไว้เนี่ยเอาไว้ฟังตอนอายุมากๆหรือตอนเรียกว่าก่อนตายฟังแล้วก็ไม่เครียดเหมือนกันเถอะว่าตัวเองพูดไว้ไม่ดีนนมันค่อยคําที่มีประโยชน์ตัวเองก็อยากฟังและผู้อื่นที่เขาฝ่ายประโยชน์เขาก็ยินดีที่จะฟังเขารู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์คําพูดแบบนั้นแหละเรียกว่าไม่ เพอเจอแต่คําพูดที่ไร้เพอเจอร์แหมคนอื่นเขายกคําของตัวเองมาอ้างวันหลังนโกรธคนยกมาอีกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตัวเองพูดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะพระองค์นี้เว้นขาดจากคําเพอเจอทีนี้คําที่เรียกว่าพูดค่อยคํามีประโยชน์เนี่ยมันต้องมีองค์นะจริงอยู่มีประโยชน์ต่อต้นมีประโยชน์ต่อคนอื่นมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมีประโยชน์โลกนี้มีประโยชน์โลกหน้ามีประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยต้องพูดให้ถูกการด้วย นะอย่างข้อมานี้ถ้าเกิดมานั่งพูดอย่างนี้ไปจนถึงสว่างเนี่ยมีใครฟังแล้วผิดกาลแน่เน ะ, ะเก็เรียกว่าผิดกาลก็สําคัญมากเลยนะการกาลละเวลาเนี่ยนะบางอย่างต้องควรจะพูดตอนก่อนก่อนทานอาหารหรือบางอย่างต้องพูดอิ่มแล้วค่อยคุยกันเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ได้พูดถูกกาลมีชาวนาคนหนึ่งเนี่ยนะโคเข้าหายแล้วก็ชาวนาคนนี้มีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลพระพุทธเจ้าก็ไปรอ ราว่าเขาเนี่ยคนเนี่ยจะมาฟังธรรมแล้วก็จะบรรลุมากผลนี่ในเขาก็ไม่มาสักทีเขาไปเที่ยวตามหาโคของเขาไปจนเหนื่อยเพลียแล้วก็หิวกลับมาเลยเนี่ยนะหิวอย่างนั้นพรงศ์รู้แล้วพรงค์แสดงอะไรก็ไม่บรรลุหรอกพ่อเขาบอกว่าอาหารนี่มันยิ่งใหญ่กว่าอะไรยิ่งใหญ่กว่าธรรมเทศนาเยอะเนี่ยนะก็เลยพรงศ์ก็เลยจัดสั่งให้คนนี้จัดอาหารให้เขาเขาทานอาหารจบอทานอาหารอิ่มเสร็จแล้วนั่งฟังธรรมพงศ์ก็สแสดงธรรมบรรลุเลย บรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะพระองค์รู้การกาลันยูบุคคลอย่างไปแสดงธรรมให้บางคนพระองค์อย่างไปโปรดอลรวากยักไม่พูดเลยตั้งแต่หัวค่ําจนสว่างไม่พูดเลยพระองค์ให้ทําให้เขาอยู่ให้เขาเรียกว่าให้เขาแกล้งสรารพัดอย่างเนี่ยนะตอนเช้าเมื่อเขาเหนื่อยเต็มที่แล้วพระองค์จึงแสดงธรรมแสดงว่าพระองค์รู้การพระองค์รู้การว่าตอนนี้ศรัทธาเขามีหรือไม่ พระองค์รู้การว่าตอนนี้เขามีวิริยะหรือไม่พระองค์รู้การว่าตอนนี้เขามีสติสัมปชัญญะอยู่หรือเปล่าพระองค์รู้การว่าความคิดของเขาฟุ้งซ่านไหมรู้การของเขาว่ามีปัญญาอยู่หรือเปล่าตอนนี้เป็นตัวของตัวเองมีใจเป็นของตัวหรือถูกก็มีใจเป็นของตัวกับมีใจเป็นของราคะนี่ไม่เหมือนกันนะคนที่มีใจเป็นของตัวเองก็ไม่ใช่ ตกอยู่ภายใต้อำนาจของราคะขณะที่ถูกราคะกลุ่มรุมขณะนั้นก็ไม่เป็นตัวของตัวเองก็ถือว่าเป็นวิรรปปัลลาศไปอย่างหนึ่งหรือตกอยู่ภายใต้อำนาจของโทสะก็ไม่ใช่กลางเนี่ยนะก็ชื่อว่าไม่เป็นตัวของตัวเองตกอยู่ภายใต้อำนาจความโง่เขลาก <ๆ S 2> ็ชื่อเรียกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะพระองค์เนี่ยจะประกาศอริยสัจเนี่ยนะพระองค์ ก, ก็บางทีพระองค์ก็จะแสดงอย่างอื่นไปประกอบก่อนแล้วพระองค์ค่อยประกาศ อริยสัจต่อเมื่ อ, อไรจิตของเขาเบาอ่อนควรแก่การงานนะเจนใจที่ปราศจากความเศร้าอมองเป็นจิตใจที่ผ่องแผ้วพร้อมที่จะตรัสรู้อริยสัจพระองค์จึงประกาศอริยสัจเพราะพระองค์ได้รู้เป็นกาลันอยู่บุคคลเรียกว่ารู้การทีนี้เมื่อรู้การแล้วไม่ใช่ว่าโอ้รู้ว่านี่ถ้าเราหลอกตอนนี้สําเร็จแน่นอนไม่ใช่นะไม่ใช่ลักษณะนั้นนั้นพระองค์จะพูดแต่ความจริง สภาพจิตของเขาอยู่ในขณะนี้สมควรที่จะได้ฟังอริยสัจแล้วพระองค์ก็ประกาศอริยสัจให้เขาฟังนั้นพระองค์จึงพูดแต่คําที่เป็นจริงคำว่าจริงก็คือจริงสูงสุดนั่นแหละคือพูดประกาศอริยสัจนั่นแหละโยธรรมมังเทเสติพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วแสดงอะไรก็แสดงทุกข์เพื่อการ กำหนดรอบรู้เนี่ยนะไม่ใช่พูดชราชรามรณะแล้วให้คนไปฆ่าตัวตายไม่ได้พูดอย่างนั้นพูดทุกเพื่อการกําหนดรู้พูดบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเพื่อการละพูดถึงคุณธรรมทั้งหลายคุณงามความดีบุญกุศลอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดเพื่อการเจริญพูดพระนิพพานเป็นต้นเพื่อการทําให้แจ้งเนี่ยนะพูดวิชาววิมุตติก็เพื่อทําให้แจ้งอันพระ อ, องค์จึงพูดตรัสเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นความจริง แล้วก็ความจริงอย่าลืมว่าความจริงอันนั้นต้องอิงอัดและก็อิงธรรมอิงอัดแปลว่าอิงผลอิงธรรมะก็คืออิงเหตุอันนั้นอิงอัดก็แปลว่าอิงทุกขสัจจะอิงนิโรสัจจะอิงชรามรณะอิงชรามรณะนิโรธส่วนอิงธรรมก็คืออิงสมุทัยอิงอริยมัติซึ่งเป็นเหตุอิงอัดอิงธรรมก็คืออิงเหตุอิงผลหมายความว่าเป็นคําพูดที่ไม่เป็นเหตุก็เป็นผลมีอยู่สองอย่าง ในโลกนี้มันก็มีสองอย่างนะก็มีเหตุกับมีผลเท่านั้นแหละไอ้สิ่งที่ไม่มีเหตุมีผลเรียกว่าเพอเจอร์เนี่ยนะแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัวเพราะในโลกนี้มีแต่เหตุกับผลเพราะอะไรปัจจัยกับสิ่งที่เนื่องกับปัจจัยเนี่ยนะอย่างเช่นชรามรณะก็มีเหตุเหตุที่ทําให้เกิดชรามรณะก็คือชาติชาติก็มีเหตุเหตุที่ทําให้เกิดชาติก็คือภพบพก็มีเหตุเหตุที่ทําให้เกิดพบก็คืออุปาทานคือทุกอย่างมันก็เหมือนกับว่า อ้าวใครเป็นคนนี้เป็นลูกก็มีมีพ่อมีแม่ใช่ไหมแล้วคนที่เป็นพ่อนี่มีพ่ออีกไหมก็มีแล้วคนที่เป็นพ่ออีกนี่มีพ่อต่อไปอีกไหมก็คือทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกันไปในตัวในลักษณะแบบนี้เหมือนกับเมล็ดพืชกับต้นพืชไก่กับไข่ที่มันเชื่อมโยงกันในความเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลคําพูดที่ไม่ขัดกันกับเหตุและผลเนี่ยนะ ก็่รว่าอิงแต่ว่าเหตุผลอันนั้นก็ไม่ใช่เหตุผลแบบประเภทยกเมฆแล้วก็เหตุผลเพื่อความสะใจอะไรไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่หมายก็ว่าเป็นเหตุผลที่ผู้ฟังได้รับประโยชน์อยู่เสมอผู้พูดเองก็ได้รับประโยชน์อย่างคําพูดที่อิงอัดอิงทำก็คือโดยเฉพาะพูดเป็นคําสอนนั่นแหละอย่างที่พระ อ, องค์กล่าวว่าผู้กล่าวธรรมะเนี่ยนะผู้แสดงธรรมย่อมรู้อัดย่อมรู้ธรรมย่อมได้ปรามโม่ที่เกิดจากการรู้อัดและรู้ธรรม ผู้ที่ฟังธรรมเนี่ยนะผู้ที่ฟังธรรมทั้งหลายก็จะรู้อัตรู้ธรรมได้ปีติปรามโมทที่เกิดจากการรู้อัตรู้ธรรมเพราะเห็นประโยชน์ตนเห็นประโยชน์ของผู้อื่นก็ควรกล่าวธรรมหรือแม้กระทั่งการฟังธรรมพระองค์ก็จะพูดพูดอิงเหตุแล้วก็อิงอิงผลอิงวิไนคำพูดของพระพุทธเจ้านี้จะอิงวิไนอิงสังวร ว, วิไนกับอิงปหานวินยัย อิงสังวรวินัยก็คืออิงสีละสังวรสติสังวรญาณะสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรเนี่ยนะอิงตทางข้วินัยอิงตทางค้ประหารวิขัมพนาประหารสมุเฉ ท, ทประหารปฏิปัสสัทธิประหารนิสรณประหารเรียกว่าอิงวินัยวินัยแปลว่าการกําจัดราคะโทสะโมหะการกําจัด ความทุ่มสินการกำจัดความหลงลืมสติการกำจั ด, ค ว, ลลจดความไม่อดทนการกำจัดอวิชามโมหะเป็นต้นนะอิงวินัยคือการกำจัดสิ่งที่เป็นโทษเนี่ยนะแล้วก็เป็นคำพูดที่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นคำพูดที่มีหลักฐานมีที่อ้างแปล ว, ว่าประกอบพร้อมกับอุปมาเนี่ยนะเรามีอุปมาประกอบพร้อมเรียกว่าเหมือนอย่างว่าอย่างที่บอกว่าวินยูชนในโลกนี้พึงรู้เนื้อความได้ด้วยอุปมาเพรา ะ, ะ น, นคำสอนของพระองค์จึงมีอุปมา ประกอบเพราะผู้ฟังจะเข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นเพราะอาศัยคำอุปมามันพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสนั้นจึงประกอบด้วยประโยชน์แล้วก็โดยกาลละอันสมควรไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปพอดีตามเวลาเนี่ยนะซึ่งอันนี้ก็เกือบพอดีเหมือนกันนะเนี่ยย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสังมีวจีสุจริตเนี่ยน ะ, ะวจีสุจริตผลงานของพระพุทธเจ้าที่ตรัสถ้อยคาที่ ไม่เท็จไม่ยากไม่ยุ่ยแยกเป็นถ้อยคําที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ก็ดูจากพระไตรปิฎกทั้งหลายเนี่ยนะที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่นําเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกเนี่ยนะอันพระพุทธพจน์ทั้งหมดของพระองค์จึงเป็นเป็นอะไรสุภาษิตาจยาวาจาเป็นวาจาสุภาษิตรเรียกว่าพุทธภาษิตเพราะเป็นถ้อยคําที่ ช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ใครที่ไม่สบายใจเนี่ยลองคิดอย่างนี้ว่าคิดถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าสักพักหนึ่งแล้วจะสบายใจคนเครียดมากๆเลยนะลองไม่สบายใจลองคิดถึงคําสอนนะเว้นไว้ตัวเองไปทําผิดแล้วคิดถึงคําที่าท่านตําหนินะอันนี้อาจจะหนักขึ้นกับเดิมแต่ถ้าพูดถึงธรรมรดาเนี่ยถ้ามีเรื่องทั่วๆไปแล้วไม่สบายใจเนี่ยนึกถึงพุทธพจน์เถอะแล้วจะสบายใจเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพุทธเขาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยประกอบไปด้วยราคะโทสะและ โมหะพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสเนี่ยกจัดราคะโทสะโมหะของสัตว์ทั้งหลายให้สัตว์ถึงความโล่งใจเป็นอย่างยิ่งมันผู้ฟังทมจบสมัยพุทธกาลเนี่ยนะจะมีใจเป็นของตนจะไม่ใช่ลักษณะแบบแม้ถูกเกลี้ยกล่อมหวานล้อมสเสียคนเลยไม่ใช่ลักษณะนั้นทุกคนเมื่อฟังตบปั๊บจะเป็นตัวของตัวเอง ่อันนี้เป็นคำที่คุยกันยาวในะตัวเองเนี่ยมันตัวไหนก็ไม่ทราบนะต้องคิดให้ดีนะแต่ในที่นี้หมายถึงว่าตัวที่ประกอบด้วยปัญญามีสติมีสัมปชัญญะเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมเนี่ยนะไม่ใช่ว่าพูดจบแล้วก็มานะพองขึ้นกับเดิมไม่ใช่ลักษณะนั้นเนี่ยนะที่พูดถ่านไปทั้งหมดเนี่ยนะก็คือ3าหกข้อ7ข้อนะกายสุจริส3ัจี สุจริตศีที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีน น, นะก็ศีลทางกายศีลทางวาจาละจากความทุศีนทางกายและวาจาส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับศีลอื่นๆอีกต่อไปก็คงวันครั้งต่อๆไปอีกนะสำหรับวันนี้ก็ขอใช้เวลาแต่เพียงเท่า น, นี้นะท้ายที่สุดนี้ก็ข อ, อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นนนะประสบแต่ความสุขความเจริญ มีความสุขมีอายุยืนทุกท่านอนุมโมทนาฉันพรอ